ก็ความในมัชฌิมนากายมูลปั น, นาตอลททรราคัตูปมะสูตรต่อจากครั้งที่แล้วพบถทวนนะว่าพระสูตรนี้เป็นสูตรที่แก้มิจฉาทิฐิเป็นหลักเนี่ยนะโดยเนื้อหาโดยใจความสรุปเนื้อความในพระสูตรนั้นเป็นการแก้ลัทธิมิจฉาทิฐิซึ่งมิจฉาทิฐินั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มีโทษ ที่พระองค์บอกว่าทำเอกหรือทำอันเดียวเนี่ยนะที่จะมีโทษเหมือนกับมิจฉาทิฏฐิไม่มีเลยเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนมเมล็ดบวบขมหรือมเมล็ดเสดาเนี่ยนะไม่ใช่เสดาห ว, วานนะเสะดาขมอะ่มะเมล็ดพันธุ์เหล่านี้เนี่ยเมื่อเพาะลงในดินนะที่มีรดน้ํามีรดปุ๋ยเนี่ยนะเพียบพร้อมบริบูรณ์มเมล็ดพันธุ์คือดอกอมเมล็ดบวบขมหรือมเมล็ดเดาก็ตาม มันก็จะดูดซึมดูดซับเอาแต่รสเพื่อสร้างความขมกันนะก็กลายเป็นเมล็ดพืชพันธุ์ที่มีรสขมฉันใดมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อทิฏฐินั้นขึ้นต้นด้วยมิจฉาทิฏฐิกายกรรมก็ประกอบไปด้วยการกระทาที่ผิดวจีกรรมก็ประกอบไปด้วยวจีกรรมที่ผิดแม้แต่มโนกรรมพื้นฐานแนวความคิดก็เป็นความคิดที่ผิด เพราะอะไรเพราะทิฏฐิมันวิบัติเพราะทิฏฐิผิดทิฏฐิผิดเนี่ยนะความเห็นผิดอันนี้นี่แหละเลวร้ายเลวร้ายแค่ไหนเลวร้ายถึงขนาดว่าทําลายสัมมาทิฏฐิได้มิจฉาทิฏฐิเนี่ยเลวร้ายทําลายสัมมาสังกัปปะได้ทําลายสัมมาวาจาสัมมากรรมันต์าสัมมาอาชีวะทําลายสัมมาวายามะทำลายมิจฉาสัมมาสติทําลายสัมมาสมาธิ ทำลายสัมมาญาณนะทำลายสัมมาวิมุตติซึ่งเป็นความเลวร้ายประทุษร้ายอริยมรรคได้นะมิจฉาทิฏฐินี้เป็นเหตุให้ประทุษร้ายอริยมรรคเมื่อประทุษร้ายอริยมรรคก็เท่ากับประทุษร้ายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของอริยมรรคเขาเรียกว่าทำลายอาณาจักรของพระพุทธเจ้าก็ทำลายศาสนาจักรของพระพุทธเจ้า และไม่พอก็ยังขวางกั้นไม่ให้ผู้อื่นประพฤติดีและปฏิบัติชอบห้ามการประพฤติของภาษาวกทั้งหลายที่จะปฏิบัติตามคําสอนเป็นสุปฏิปันโนอุโชยายะาสามิจิปฏิปันโนเท่ากับว่าห้ามการประพฤติดีและปฏิบัติชอบเท่ากับว่าขวางกั้นห้ามไม่ให้คนอื่นเจริญศีล ส, สมาธิและปัญญาเพราะอะไรเพราะมิจฉาทิฐินี้เป็นสิ่งที่ ชั่วช้าเลวร้ายนะเลวร้ายยิ่งกว่าก้อนมะเร็งเองนะเพราะมันเลวร้ายมากกว่านั้นมะเร็งตายแค่าชาติเดียวแต่มิจฉาทิฐิที่มันงอกเนี่ยนะงอกออกมาเนี่ยตายหลายพบหลายชาติเมื่อสัตว์ทั้งหลายไม่เดินตามผลทางคือสัมมาทิฐิและไปเดินตามทางไหนก็เดินตามทางคือมิจฉาทิฐิแล้วมิจฉาทิตฐิคิดว่านั่นแหละทางตรง เรียว่าหันออกจากทางตรงทางเรียบทางเสมอเดินออกจากทางที่นำไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานหันหน้าบ่ายไปสู่ทางแห่งความเลวร้ายไปสู่ทางขรุขระเดินทางไปสู่ทางแห่งเหวหลุมบ่อแต่มิจฉาทิฐิบอกว่าดีว่า ง, งั้นเออวิวสวยดีม่า ง, งั้นกลายเป็นว่าอย่างนั้นไปอีกเนี่ยนะก็เลยจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งจากทุกอันหนึ่งสู่ทุกอันหนึ่งก็เพราะมิจฉาทิฐิ นั้กายกรรมของมิจฉาทิฏฐิก็เลวสามวจีกรรมของมิจฉาทิฏฐิก็เลวสามมโนกรรมของมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายก็เลวสามและมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายทำให้เห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระไม่มีสาระว่ามีสาระเช่นเห็นว่าการมมกุณทั้งหลายนี่มีสาระเห็นว่าการกระทำชั่วนั้นเป็นสาระ เห็นการทำกายยัตุจริวตวจีทุจ ร, จริมโนทุจริเป็นสาระเห็นการเห็นว่าการล่วงอกุศลกรรมบททั้งหลายเป็นสาระเนี่ยนะเห็นว่าข้อเห็นว่าพฤติกรรมกายกรรมมจีกรรมมโนกรรมที่พัดพาหลั่งไหลไปสู่อบายทุกขติวินิบตนัตินรกว่าเป็นสาระคือมันเห็นวิบตนะัติน่ะเรียกว่าทิฏฐิวิบัติทิฏฐิอะไรจะเลวร้ า, รายเท่ากับทิฏฐิวิบัติไม่มีอีกแล้วเนี่ยนะเรียกว่าวิบัติทางวิจรารณญาณเนี่ยนะ หรือมิจฉาทิฐีเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่เท่านั้นนะมิจฉาทิฐีเนี่ยยังก็เรียกว่าโดยเฉพาะคนในพระศาสนาเองในอย่างพระอริ tha เนี่ยเข้ามาในพระศาสนาถ้ากลายมาเป็นมิจฉาทิฐิเสียเองเนี่ยนะก็กลายเป็นว่าเกลือเป็นหนอนเข้ากันเกลือที่มันเป็นหนอนดูภายนอกเหมือนเกลือแต่จริงๆแล้วก็คือตัวหนอนหรือเป็นเชื้อโรคร้ายที่อยู่ในภายในเพราะั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยผ่าตัดใหญ่เขากันนะผ่าตัดเอามิจฉาทิฐีบุคคลเนี่ย ออกนอกออกนอกวงการถึงร่างกายจะนั่งอยู่ตรงนั้นก็ตามแต่พระองค์ก็ถือว่าในประเทศเนี่ยนะในประเทศโดยโดยทํา โ, โดยวินัยโดยคําสอนว่าเขาไม่มีความเจริญงอกเงยในพระาศาสนานี้อีกต่อไปเพราะอะไรเพราะเขาเป็นคนที่มีทิฏฐิวิบัติทีนี้การแก้ปัญหาตรงนี้อย่างกลุ่มพระภิสุทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะท่านหลังจากที่ฟังคําของอริฏฐภิกษุท่านรู้เลยว่า โรครายได้เกิดขึ้นแล้วในพระศาสนาคนผานคนนี้ถ้าได้พักไมด้พวกเมื่อไหร่ศาสนาอันตรทานภายในช่วงพิพตาเนี่ยนะซึ่งถ้าผู้ใดที่มีความเห็นเช่นกับพระริทธาธิกษุน์นี่ก็ถือว่าเสี่ยงและก็อันตรายการศึกษาพระสูตรเนี่ยนะศึกษามัชฌิมนิกายเป็นต้นเนี่ยศึกษาเพื่อปรับทัศนคติศึกษาเพื่อปรับความรู้ความเห็นว่าความเห็นของเราเป็นไปตามคําสอนไหม ความเห็นของเราขัดแย้งต่อคำสอนไหมถ้าความเห็นของเราขัดแย้งต่อคำสอนหวังความเจริญในพระศาสนาไม่ได้เลยแต่ถ้าความเห็นของเราอนุโลมต่อคำสอนอันนั้นเป็นความเจริญในพระศาสนาอย่าลืมว่าศาสนาพระพุทธเจ้าคือศาสนาแห่งอธิศีลอธิ จ, จิตและอธิปัญญาเมื่อเราเห็นตรงกันข้ามกับศีลสิ่งที่เราได้รับก็คือทุศีล ถ้าหากว่าสิ่งที่เรามีความเห็นนั้นตรงกันข้ามกับสมาธิเราก็เป็นผู้ฟุง้งซ่านถ้าความเห็นของเราตรงกันข้ามกับปัญญาแสดงว่าเรานี่โง่เขลาและเป็นมิจฉาทิฐิทั้งหลายมันก็ต้องพยายามว่าพยายามปรับทัศนคติพยายามเปลี่ย น, ปยนแปลงกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมสิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อความเจริญเนี่ยนะอย่าลืมว่าในยุคพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะ ในยุคพวกเราทั้งหลายเนี่ยถือว่าเป็นยุคแบบเครียกว่ารุ่นท้ายๆเนี่ยนะแทบจะเรียกว่าคนท้ายๆอยู่แล้วเนี่ยอันนี้เราจะต้องระวังให้มากเลยว่าความเห็นของเรานี่ยังอนุโลมต่อคําสอนหรือไม่ถ้าอย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยนะผิดบ้างพลาดบ้างพระพุทธเจ้าก็ยังพอมองเห็นเนอยู่ใช่ไหมเออเดี๋ยวก็เดินตามพระองค์ไปทันหมือนั้นเถอะแต่ถ้าหากว่าเป็นยุคปัจจุบันเนี่ยนะเราจะเดินตามพระพุทธเจ้าอย่างไรถ้าพลาดแล้วพลาดเลยเนี่ยนะถ้าพลาดแล้วโดยมากพลาดเลยคนที่จะเรียกว่า ย้อนกลับมาถูกเนี่ยโอกาสน้อยเต็มทีถามว่าทำไมจึงน้อยเคยเห็นคนที่เปลี่ยนจากบาปมาเป็นบุญเยอะไหมแต่ถ้าคนเปลี่ยนจากบุญไปเป็นบาปเนี่ยนะอันนี้ปริมาณทีละเยอะๆนี่เห็นนะนะแต่ถ้าเปลี่ยนคนจากจิตที่เป็นบุญเอ่อเป็นบาปมาเป็นบุญเนี่ยค่อนข้างทำได้ยากเนี่ยนะเพราะถ้าเราไปเป็นเอ่อเป็นป่าปะบุคคลแล้วยากที่จะเกิดการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงเนี่ย อริ tha พิสุยังไม่แก้ไขและเปลี่ยนแปลงขอตบทวนข้อความในอละคัตูปมะสูตรข้อ274หน้า279หมายว่าสมัยนั้นแลทิฐิอันเป็นบาปหรือทิฐิอันชั่วเห็นปานนี้เกิดขึ้นแก่อริ t h ภิิษุผู้เป็นเหล่ากอของคนค่าแรงว่า ข้าพเจ้ารู้ถึงธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วโดยประการที่ธรรมทั้งหลายที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าการตรัสว่าเป็นธรรมกระทาซึ่งอันตรายธรรมเหล่านั้นไม่สามารถกระทาอันตรายแก่ผู้ซ่องเสพได้จริงคืออริ tha เขามีความคิดว่ามิจฉาทิฐิเนี่ยนะเป็นอันตรายต่อมรรคผลเขาก็ไม่คิดว่ามิจฉาทิฐิเป็นอันตรายต่อการ บัรลุมักผลหรือการทุ่มสินเช่นเมถุนธรรมเป็นต้นเนี่ยสำหรับพระภิสูจน์ทั้งหลายถือว่าเป็นอันตรายต่อการบัรลุมักผลอริธาพิสูจน์บอกว่าไม่มีอันตรายต่อการบรรลุมักผลก็เท่ากับประหารพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะทำลายศาสนาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแสดงพระวินัยบัญญัติด้วยความภาคเพียรอุตสาหาสะเสร็จแล้วพระอริธาออกมาบอกว่าวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติ ไม่จำเป็นจะต้องปฏิบัติตามและรักษาตามเพราะไม่มีผลจริงๆไม่มีผลถึงล่วงละเมิดพระวินัยบัญญัติไปแล้วก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อการบรรลุมรรคผลเนี่ยนะเมื่อเมื่อความเห็นอันนี้เกิดขึ้นเท่ากับว่าสองห0นึ่งพันระธรรมขันไม่มีประโยชน์เลยนะเพราะไม่เห็นว่าการละเมิดพระวินัยบัญญัตินั้นมีโทษภิกษุทั้งหลายพอได้ฟังอย่างนั้นแล้วก็ พระพิสุเหล่านั้นได้ยินได้ข่าวมาว่าทิฐิอันชั่วเห็นปานนี้บังเกิดขึ้นแก่อริฐาพิสุผู้เป็นเหล่ากอของคนฆ่าแรงว่าข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วโดยประการที่ทำทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าตรัสแล้วว่าเป็นธรรมกระทาซึ่งอันตรายธรรมะเหล่านั้นไม่สามารถทาอันตรายแก่ผู้ซ่องเสพได้จริง พระพิสุเหล่านั้นเนี่ยรู้อย่างไงขึ้นมาท่านก็ประสงค์จะแก้ไขเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันชั่วช้าเลวร้ายมันนะระบาดถ้าพระพิสุอริฏฐะเนี่ยได้พักได้พวกได้สมาคมแล้วศาสนาจะอันตรธานโดยไม่นานเนี่ยนะเพราะความเห็นอันนี้มุ่งจะทําลายอธิศีลสิกขาอธิจิตศิกขาและอธิปัญญาศิกขายังไงก็ไม่เจริญงอกเงยมันสิ่งที่พระพุทธเจ้าสร้างบารมีมาสีอสงไขยแสนกับ ก็กลายว่าได้ตาปะพิษุบุคคลเนี่ยขึ้นมามาทำลายเนี่ยนะมาทาลายพระพิสุเหล่านั้นเนี่ยนะซึ่งมีใจรักในาศาสนาของพระพุทธเจ้าก็เลยเข้าไปหาอริธาพิสุผู้เป็นเหล่ากของคนข่าแรงแล้วก็ได้กล่าวกับเธอว่าท่านอริธาได้ยินว่าทิฐิอันชั่วเห็นปานนี้บังเกิดขึ้นแก่ทัานว่าข้าพเจ้ารู้ถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงแล้ว โดยประการที่ทำทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าตรัสแล้วเป็นธรรมกระทำซึ่งอันตรายธรรมธรรมะเหล่านั้นไม่สามารถทำอันตรายแก่ผู้ซ่องเสพได้จริงดังนี้จริงหรืออริธาพิสุพผู้เป็นเหล่ากอของคนข่าแรงก็รับว่าจริงใช่ะนะรับหน้าชื่นตาบานว่าเป็นคนที่มีความเห็นขัดแย้งกับพระพุทธเจ้าสมัยนี้ก็รับหน้าชื่นตาบานว่ามีความเห็นคนละอย่างกับพระไตรปิฎก ก็ก็ ก, ก็ไม่มีความต่างอะไรกั น, น ย, นะยิ้มรับหน้าชื่นตาบานเลยเนี่ยนะยอมรับเลยว่าใช่เนี่ยนะความสุขมากะนะที่บอกแหมกล้าคิดอะไรที่มันนอกรีดนอกรอยอะนะคือคือคือเหมือนกับว่าถ้าในบ้านบ้านใดครอบครัวใดถ้าลูกคนไหนกล้า น, นอกรีดนอกรอยแล้วก็ยังยิ้มแป้หัวเราะร่าเนี่ยก็ถือว่า อันตรายมากเลยใช่ไหมถือว่าอันตรายมากครอบครัวนั้นก็เกือบจะล่มจมแล้วล่ะบางทีชัน้นใดก็ดีนี่ก็เหมือนกันอริ t h ภิกษุเนี่ยที่มีความเห็นขัดแย้งต่อคําสอนไม่มีความรู้สึกว่าตัวเองผิดเลยไม่เข้าใจว่าตัวเองผิดนะคนผิดแต่โดยมากคนผิดก็ไม่ยอมรับว่าตัวเองผิดอยู่แล้วนะจําเลยมาถึงสารภาพเลยแม่นเมืองนะไม่มีทางอ่ะนะมันก็ต้องโน่นแหะเอาจนถึงที่สุดนั่นแหละ จำนวนด้วยเหตุผลแต่ก็ไม่ยอมรับสารภาพอยู่ดีว่างั้นโดยมากเป็นอย่างนั้นฉันใดอริธาพิสุก็เหมือนกันเขาไม่คิดเลยความคิดของเขามันมีโทษเนี่ยนะมันเป็นโรคร้ายเขาไม่คิดเนี่ยนะพอไม่คิดเข้าก็รับชื่นตาบานว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วโดยประการที่ทำทั้งหลายที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นธรรมธรรมอันตราย ทำนั้นไม่สามารถทำอันตรายแก่ผู้ส่องเสพได้จริงคือใครไปทำอย่างที่พระพุทธเจ้าห้ามนะไปละเมิดสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามไม่ผิดอะไรหรอกไม่เป็นอันตรายต่อการบรรลุมรรคผลหรอกแต่คนที่พูดนีน่าเชื่อถือใช่ไหมเพราะคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เป็นปหูสูตรเรียนมากนะแต่ก็จริงอ่ะนะอย่างบางคนเนี่ยที่เคยรู้จักมาเนี่ยเป็นคนที่อ่านพระไตรปิฎกค่อนข้างเยอะอ่านอตถถาค่อนข้างมาก แล้วเกิดมาเพื่อคัดค้านเกือบทุกเรื่องในพระไตรปิฎกหยิบข้อความในพระไตรปิฎกมาเพื่ออธิบายได้คนละเรื่องจากพระไตรปิฎกเนี่ยนะซึ่งข้อความทั้งบทอักขระพยัญชนะในพระไตรปิฎกไม่ได้บอกอย่างนั้นเลยแต่บางคนเนี่ยสามารถพูดให้มันเป็นคนละเรื่องได้อะนะแล้วเก่งมาแล้วออกมายืนยันด้วยนะแล้วออกมาตําหนิออกมาคัดค้านคนที่พูดตา่างเนี่ยนะ และคนบางคนเหล่านี้เนี่ยซึ่งความเห็นเหล่านี้มันง่ายมิจฉาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิมันเข้ากันง่ายเพราะฉะนั้นคนที่มีความเห็นผิดปับ๊บเนี่ยไอคนที่เห็นผิดด้วยกันมันจะคล้อยตามง่ายอย่างคนกโกรธนะสมมุติถ้าเรากโกรธเนี่ยเราพูดให้คนขี้กโกรธ ด, ด้วยกันเห็นด้วยนะไม่ยากถ้าเราโลภพูดให้คนที่โลภโลภด้วยกันเห็นด้วยไม่ยากถ้าเราเป็นคนมิจฉาวาจาเนี่เรานักเพอ้อเจอร์นิยมเนี่ยนะเราจะได้พวกเพอ้อเจอร์นิยมมาเป็นเพื่อน นะคือคือมันมันธาตุมันใกล้กันระหว่าน้ำเหม็นมันจะไหลไหลเข้าไปหาน้ำเหม็นเสร็จแล้วมันจะกลมกลืนกันเป็นอันเดียวกันเนี่ยนะแปลว่าฉันใดมิจฉาทิฐิทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันมนุษที่เป็นมิจฉาทิฐิเนี่ยจะยอมรับและจะเห็นสอดคล้องกันเนี่ยนะพูดออกไปแล้วไม่มีใครออยกมาข่มยกมาตำหนิอายกมาห้ามปราบบอกไม่แวดวงเดียวกันก็จะเริ่มเห็นด้วยแล้วก็ค่อยๆลุกลามใหญ่โตไป ก็ไม่รู้พระพุทธเจ้าน่าสงสารขนาดไหนอุตส่าห์สร้างบารมีมาตั้งสี่อสงไขยแสนกับมิจฉาวาจาบุคคลเนี่ยนะระเบิดพลีทางวาจาเนี่ยระเบิดปากตัวเองเนี่ยเพื่อที่จะทําลายคําสอนคําที่พูดผิดๆเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าคําพูดอันนั้นเนี่ยอันตรายขนาดไหนเนี่ยนะอันตรายขนาดไหนก็ศึกษาดูว่าปลาปากเหม็นเนี่ยมาจากไหนเหตุก็เกิดจากการทําลายคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ ก็ดูพวกกลุ่มโรคปากเนี่ยนะกลุ่มโรคปากโรควาจาทั้งหลายเดียนะแล้วก็ทำไมปลาต้องกินเบ็ดอยู่เสมอทำไมจะต้องต้อ ง, ต, องต้องมีคนที่วางสิ่งที่เป็นพิษให้ตัวเองเนี่ยเขมือบเกลืนกินอยู่สม่าเสมอก็เพราะอะไรก็เพราะว่าโทษของมิจฉาทิฐิเนี่ยนะแต่ถ้าถามว่าใครที่พูดเช่นนั้นน่าซ้ำเติมหรือว่าน่ากรุณาถ้าพูดตามเป็นจริงก็เป็นคนที่น่ากรุณาทางถูกมีอยู่ก็กลับไปเดิน ทางผิดทางราบเรียบก็มีอยู่กลับไปเดินทางที่อยู่ในปากหิวเนี่ยนะก็ถือว่าอันตรายเสี่ยง